พุทังปะภูชันตีสะทาโคตมสาวกาเยสังทิวาจาะโตจานิจังพุทธคตตาสตีเบอกถ้าเราสาวกเนี่ย ะ, ะเจริญพุทธานุสตีนะมีสัมมาสัมพุทธาเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์ระลึกอยู่เนืองเนือทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนั่นแหละท่านพวกนั้นเชื่อเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ไม่หลับ ใช่ั้ยสัพพุทังปะพุชันตีสัทาโคตมสาวกาเยสังทิวาจารโตจานิจจังธรรมคตาสตีปแปล ว, ว่าถ้าสาวกของพระบรมศาสดาเนี่ยนะระลึกมีสติตั้งมั่นในพระธรรมคือสภาวะที่สัมมาสมุทัยไปแทงตลอด เกือริยาศาัตริสรุปก็คือว่าไปมีโรกุตราธรรมเป็นต้นแล้วก็มีรพระญาติธรรมเนื้อเป็นอารมณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนอันนั้นชื่อว่าตื่นชื่อว่าไม่หลับกิเลสไม่รบกวนใจสะพุ ท, ทังปะุชันติสะทาโคตมสาวกาเยสังทิวาจราโตจา นิังสังคคตาสตีเหล่าสาวกของพระผู้มีภาคเจ้ามีสติตั้งมั่นในสภาวะของสังคะใช่สภาวะที่เข้าไปแทงตลอดอริยสัจตามสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยชื่อว่าท่านผู้นั้นตื่นตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากกามาชันท่พยาบาทีนมิทะาอุทธัจา ก, กุกุจะและก็วิจิกิจฉา อย่างนี้เขาเรียกว่าแทงตลอดตามท่านคำว่าสัมมาสัมพุทธา น, นี่ที่เราศึกษาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าจากกูจากกุสมุทยะเป็นต้นนะแล้วก็ไล่ไปตามลําดับก็ไปพิจารณาเนาะเมื่อพิจารณาเป็นไปตามลําดับก็ไปไล่ตามคําสอนของท่านที่ท่านวางหลักเขาไว้วางหลักเป็นไปตามลําดับนะบางทีท่านก็เอาพบมาไล่เลยเนะ เอากรมมาพบรูปมาพบอรูปมพบสัญญาภพอสัญญาภพเนวะสัญญาสัญญีภพแล้วก็เอกะวะกะละพจเจตวะกะละพบปัญจจวกะละพบเนี่ยเอาภพเก้ามาพิจารณาเลยเวลาท่านะอาภพทั้งเก้ามาพิจารณาท่านไขควนยังไงท่านก็อธิบายบอกว่าชื่อว่าภพเพราะอธิวมีอยู่ภพประกอบไปด้วยกรรมกล่าวคือกามมราคะหรือภพเก่าวคือกรรมชื่อว่ากามมาพบเอา3 1มสบภพมาไล่ สามเลยพราะก็คือว่าการมาสุกติภูมิเจ็ดใช่ไหมแล้วก็อบายภูมิสี่เอามาไล่เลยเออเอามาไล่ด้วยความยังไงเนี่ยพิจารณายังไงการมาพบมาไล่ขันห้านนแใช่ไหมขันห้าก็พวกสัตว์ทั้งหลายเอามาไล่ด้วยความเป็นธงกษัตริย์ตันหาที่ทําให้ขันเหล่านั้นวิ่งว่อนกันอยู่ในการมาพบสิบเอ็นี่นะอันนั้นเป็นสมุทัยสัจจะความไม่เป็นไปของการมาพบ ความไม่เป็นไปของสมุทยัทยสัจจะที่ทำให้การประพัอุบัติเกิดขึ้นอันนั้นเป็นนิโรธาสัจจะปฏิบัาให้เข้าถึงนิโรธเป็นมารคศเนาะไปไล่ดูๆอีกเยอะเลยก็พิจารณารูปประพัพรูปภพก็เดี๋ยวก็ค่อยต่อเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวสาธยายแล้วก็จะจบด้วยการมีใครจะถามปัญหาไหมมีไม่มีไม่มีเนาะ